ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสตตะประพระปุพพสิกขาและปุพพสิกขาวันน า, นาพระอมาราพิรกิตะอมโรเกิดวัดบรมนิวาโรจนาต่อไปก็จะเป็นสังขาริเศสสิกขาบทที่แปดเรื่องของการโจ์อัปะราชิกไม่มีมูล ในอมูลละกะสกขาบทที่ 8, ความว่าพิกสุใดโกรธแค้นพิกตุ ด, ด้วยกันและแกล้งโจดด้วยปาราชิกทั้งสี่อันใดอันหนึง่งไม่มีมูลเพราะหาเหตุจะให้เธอนั้นชิบหายจากพรหมจรรย์ภายหลังจะมีผู้ซักไซเธอก็ตามไม่ซักไซก็ตามคือเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามอันที่ก่อนนั้นไม่มีมูลแน่แล้วถึงเธอจะปฏิ ญ, ญาว่าเราพูดเท็จ ก็คงเป็นสังขาริเศษในขณะโจดนั้นแล้วป ร, ราชิกไม่มีมูลนั้นคือไม่ได้เห็นด้วยตาโดยปกติหรือว่าตาทิฟและไม่ได้ยินด้วยหูโดยปกติหรือว่าด้วยหูทิฟและไม่ได้รังเกียดด้วยใจว่าเธอต้องอาบัตป ร, ราชิกทั้งสี่อันใดอันหนึ่งด้วยตนได้เห็นอาการหรือได้ยินสำเนียมและได้กลิ่นอย่างใดอย่างหนึง่งที่ควรจะรังเกียจอย่างนี้แลชื่อว่าไม่มีมูล ว่าโดยสังเกตการโจทย์จะมีสี่อย่างก็คือโจทย์ด้วยชี้วัตถุหนึ่งชี้อาบัตหนึ่งห้ามสังวาสหนึ่งแล้วก็ห้ามสามิญจิกรรหนึ่งเป็นสี่โจทย์ว่าท่านเสดเมถุนเป็นต้นเช่นนี้ชื่อว่าชี้วัตถุวัตถุก็คือการเสษเมทุนหรือว่าการฆ่ามนุษย์ถือว่าการลักษะัโจทย์ว่าท่านต้องอาบัตเพราะเมถุนทาเป็นต้นนี้ชื่อว่าชี้อาบัต โจทย์ว่าจะทําอุโบสถตป ร, ตรณนาสังฆกรรมกับท่านไม่ได้เช่นนี้ชื่อว่าห้ามด้วยสังวาสก็คือการอยู่ร่วมอยู่ร่วมโดยการลงอุโบสถสังฆกรรมต่างๆด้วยห้ามสังวาสเท่านี้ถ้าห้ามสังวาสเท่านี้ยังไม่ถึงศรรีรษะนะยังไม่ถึงที่สุดคือยังไม่เป็นอบัติก่อนต่อเมื่อใดกล่าวว่าท่านไม่เป็นสมณนะเป็นต้นมาต่อเข้าปลายคําก่อนก็คือบอกผมไม่ลงอุโบสถกับท่านแล้วท่านไม่เป็นสมณนะ นี้ถึงจะอบัตถึงที่สุดก็คือเป็นอบัตมันแหละไม่ทำอภิวาสและการลุกไปรับและอัญชรีกรรมและสามิจกรรมมีการพัดเป็นต้นอย่างนี้ชื่อว่าห้ามสามิจกรรมอันนี้ให้พึงรู้ในเวลาที่พิสุทําการไหว้เป็นต้นโดยลำดับแล้วไม่ทำแก่พิสุองค์หนึง่งข้ามไปทำแกพิสุอันเศษคือพิษุที่เหลือเท่านี้ชื่อว่าเป็นอันโชธ ก็แต่อบัตยังไม่ถึงศีสะก่อนคือยังไม่ถึงที่สุดต่อเมื่อใดผู้ที่เธอไม่ว่า้นั้นถามว่าเหตุไรท่านจึงไม่ทำการไหว้เป็นต้นแต่เราแล้วเธอกล่าวคำว่าท่านไม่เป็นสมณะเป็นต้นต่อวาจาเขาด้วยจึงถึงศีสะคือเป็นอบัตก็แล้วที่สุดโจรบุคคลผู้ใดที่ได้อุปสมบทแล้วจะเป็นคนบริสุทธิ์ก็ตามไม่บริสุทธิ์ก็ตาม โจ์ด้วยปาราชิกอันใดรู้อยู่ว่าบุคคลผู้นั้นไม่ต้องปาราชิกอันนั้นและมีอธิบายก็คือความประสงค์มีจุดประสงค์จะให้เธอเคลื่อนจากกรมจรรย์ไม่ให้เธอทำโอกาสด้วยคำว่ากรโรตุเมอายสมาโอกาสั่งอหันตังวัตตุกาโมก็แปลว่าท่านภูมิอายุจงทำโอกาสแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าอยากจะพูดอะไรกับท่านอยากจะพูดกับท่านดังนี้ก่อน และโจดถ้าบุคคลนั้นบุคคลผู้นั้นรู้ความในขณะนั้นว่าเขาโจ์เราดังนี้เป็นสังขาริเศษด้วยเพราะว่าโจ์อบัดประราชิกไม่มีมูลแล้วก็เป็นทุกขก ด, ด้วยทุกๆคำโจ์เพราะว่าไม่ขอโอกาสก่อนนั่นไม่ขอโอกาสก่อนและโจดอบัดนี้ต้องอบัดทุกดด์กดครั้นผู้โจดให้เธอทำโอกาสแก่ตนก่อนแล้วจึงโจ์เป็นสังขาริเศษอย่างเดียว แม่พิจุโจรต่อหน้าด้วยกายคือแม่มือโจทย์ด้วยแม่มือนะหัวแม่มือก็อย่างเดียวกันโจทย์ด้วยทางกายก็เป็นอบัติเดชเหมือนกันก็แล้วพิจูโจรในที่รับหลังอาบัตไม่ถึงศีาราะก็คือยังไม่ถึงที่สุดถ้าโจทย์รับหลังบังคับพิจูอื่นที่ยืนอยู่ในที่ใกล้ตนให้โจทย์ผู้รับบังคับไปโจทย์บุคคลผู้นั้นตามคําผู้ใช้ก็เป็นอาบัตแก่ผู้ใช้ โดยในดังกล่าวแล้วเปนบัตรทั้งผู้ใ ช, ดช้ด้วยผู้โจลด้วยแม้ผู้รับไปโจดว่าเราเห็นเราได้ยินด้วยเป็นอาบัตดังก่อนด้วยกันทั้งสองนั่นแหละก็คือทั้งผู้ใช้ทั้งผู้โจดก็แล้วทิสุไม่ให้เขาทําโอกาสกรร่อนและกล่าวด้วยประสงค์จะด่าไม่ให้เขาทําโอกาสก่อนแล้วก็ประสงค์จะดาเป็นอาบัตตาจิตตีด้วยแล้วก็เป็นทุกขกดด้วยอาบัตตาจิตตีเพราะว่าด่าทิสุเป็น ทุกอดเพราะไม่ให้ทําโอกาสก่อนโดยในดังกล่าวมาแล้วครั้นให้ทําโอกาสเสียก่อนแล้วจึงว่าเป็นจต่ปราชิตติอย่างเดียวก็ือว่าไปด่าเขาทิสุทํากรรมทั้งเจ็ดประการในที่รับหลังด้วยกรรมมาที่บายประสงค์จะทํากรรมเป็นทุกกดทํากรรมเจ็ดประการในที่รับหลังมีจุดประสงค์ในการจะทํากรรมแล้วก็เป็นทุกกดกรรมเจ็ดประการก็ได้แก่อะไรตัดชนิยกรรม เป็นการชี้โทษอนิยสกรรมก็เป็นการลดตําแหน่งลดตําแหน่งปรับภัยชนิยกรรมก็ขับไล่แล้วก็อเคปนิยกรรมก็เป็นการที่ไม่ให้สมโพกกับทรงยกวัดเกิดนิยกรรมทาง้วิทยาศาสตร์ยกเวสามประการก็คือยกวัดก็ไม่เห็นหน้าบาดอย่างหนึ่งไม่แสดงคือนาบัตดอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นวิชาทิฏฐิอย่างหนึ่งส่งเตือนแล้วถ้าไม่ฟังก็ตรวจประกาศําครั้งก็เป็นอเคเป็นการทํำอุเคนะยก สัพสองไม่ให้สมโพกไม่ให้อยู่ร่วมกินร่วมกับสงไม่ให้เข้าร่วมกับสงเลยกลายเป็นนานาสังวาดไปทิสุกล่าวว่าท่านต้องอาบัติชื่อนี้ท่านจงแสดงอาบัตนั้นเสียดังนี้ด้วยวุฒานาธิบายก็คือประสงค์จะให้ออกจากอาบัตและยกอุโบสถหรือปรวรณาแก่ทิสุอื่นก็ดีอันนี้ไม่ต้องขอโอกาสการที่จะขอโอกาสก็คือประสงค์จะโจรประสงค์จะทํากรรม พวกนี้ต้องข อ, อการแต่ถ้าประสงค์ให้ออกจากอบัตอันนี้ก็จะยกอุโบสถยกปราณาอะไรพวกนี้ก็ไม่ต้องข อ, อการได้แต่ให้รู้จักเขตที่จะยกเขตในการที่จะยกก็คือยังไม่ตรวจไม่ถึงกระยะยังไม่ถึงย่อักษร น, นั้นก็ยกได้ห้ามได้ถ้าเลยแล้วก็ห้ามไม่ได้แม้ที่ตุผู้ซักความครั้นเมื่อวัตถุขาโจทก์ขึ้นแม้กล่าวว่าตามของท่านอันนั้นมีอยู่ ด้วยประสงค์ในที่จะซักไซก็ไม่ต้องขอโอกาสถ้ามีการโจทย์มีการซักไซรายเดือนกันก็ไม่ต้องขอโอกาสก็ได้แม้ภิกษุเป็นธรรมก็าถึกไม่เจาะจงผู้ใดแสดงธรรมไปโดยในว่าผู้ใดทําอย่างนี้อย่างนี้ผู้ น, นั้นไม่เป็นสมณะเป็นต้นดังนี้ก็ไม่ต้องขอโอกาสก่อนถ้าเธอเจาะจงก็คือกําหนดกล่าวว่าผู้นูนน้นด้วยผู้นู้นด้วยไม่เป็นสมณะไม่เป็นอุบาสก ดังนี้ลงจากธรรมะแล้วพึงแสดงอาบัตเสียแล้วจึงไปถ้าเกิดไปกําหนดบุคคลว่าบุคคลนั้นเป็นอบัตไม่เป็นธรรมณะอะไรตัวนี้ก็เป็นอบัตก็แล้วพิสูจเห็นว่าเป็นคนไม่บริสุทธิ์ในบุคคลบริสุทธิ์ก็ดีเห็นว่าเป็นคนไม่บริสุทธิ์ในบุคคลไม่บริสุทธิ์ก็ดีแล้วจึงโจดและพิกูุที่เป็นบ้าเป็นต้นอธิกรรมิจะพวกนี้ก็ไม่เป็นอบัตถ้าเข้าใจว่าเขาไม่บริสุทธิ์จริงๆ ถึงแม้เขาจะบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ก็แล้วแต่แต่ว่าเข้าใจว่าเขาไม่บริสุทธิ์แล้วก็ไปโจดอย่างนี้ก็ไม่เป็นอบัติอันนี้ต้องไม่มีมูลแล้วก็แกล้งรู้ว่าเขาบริสุทธิ์แล้วก็ไปโจดว่าเขาไม่บริสุทธิ์ถึงจะเป็นอบัติสึดขับบ้วของ้อนี้ก็เป็นสานักกะก็คือใช้ให้เขาไปโจดก็เป็นอบัติด้วยกันมีองค์ห้าก็คือก็ที่หนึ่งโจดเองถือว่าให้ผู้อื่นโจดซึ่งผู้ใดผู้นั้น ถึงซึ่งการนับว่าเป็นอุปสัมบันก็คือเป็นพระภิกษุนั่นเองข้อที่สองสำคัญว่าผู้นั้นเป็นผู้บริสุทธิ์คือรู้ด้วยว่าผู้นั้นบริสุทธิ์ข้อที่สามโจทย์ด้วยปา ร, ราชิกใดปา ร, ราชิกนั้นไม่มีมูลด้วยความเห็นหรือว่าได้ยินหรือว่าด้วยสังเกียตไม่มีมูลเลยข้อที่สี่ก็คือโจทย์เองหรือว่าให้ผู้อื่นโจทย์ในที่ต่อหน้าต้องโจทย์ต่อหน้าโดยที่มีความประสงค์จะให้เคลื่อนจากธรรมจันทร์ให้เขา ลาสิกขาออกไปข้อที่ห้าก็คือผู้ต้องโจดรู้ความก็คือเข้าใจในขณะนั้นต้องรู้ความในขณะนั้นด้ว ย, ยถึงจะเป็นอบัตสังฆาทิเศษแต่รู้ความที่หลังก็อาบัตเร่ลองลงไปบางไปพร้อมที่องค์ห้านี้จึงเป็นอบัตสังฆาธิเศษส่วนสมุทฐานวิธีเป็นต้นก็เหมือนกับอธินนาทานสิกขาบทก็คือมีสมุทฐานสามกายจิตวาจาจิตแล้วก็กายวาจาจิต เป็นสัญยวิโมกเป็นสัจจิตตะเป็นอกุศลจิตแต่ว่าในอธินาทานเป็นเวทนาสามในที่นี้ต้องเป็นทุกเวทนาอย่างเดียวเป็นทุกเวทนาเพราะว่าต้องมีใจไม่ดีเป็นโทมนัสเป็นโทสามุรจิตหวังให้ก็เคลื่อนจากโทมจันต้นบัญญัติก็คือพระเมติยะกับภูมิจิกาไปโจทย์พระทัพภาหมรบุตรผู้เป็นพระทหา์ว่าไปเสดเมตุนกนาพิสุณีเมติยา สิกขาบทที่8ปดก็จบต่อไปสำคัญที่สุสิกขาบทที่เก้าในอัญญะพาคียสิกขาบทที่เก้าความว่าภิกษุใดโกรธแทนทิกตัอื่นหมายจะให้เธอเคลื่อนจากพรหมจรรย์แกล้งถือเอาเลสมีชาติเป็นต้นมาโจดภิกสุนั้นด้วยปาราชิกไม่มีมูลคือผู้ที่เป็นชาติกษัตริย์เป็นต้นเศรษเมถุนหรือว่าต้องปาราชิกอันใดอันใดและถือชาตินั้นมาเป็นเลสมาใส่ในทิกตุ ที่เป็นชาติกษัตริย์เหมือนกันว่าท่านเป็นกษัตริย์เศรษเมทุนและเป็นปาราชิกด้วยเหตุนี้เหตุนี้เราเห็นเราได้ยินเรารังเกียจ ด, ดังนี้ต้องสังฆาริเศษนในขณะโจดแมะปฏิญญาตนในภายหลังก็ไม่ผลอาบั ต, ไ ม, บตไม่ผลโทษนวมังจบที่กา บ, บุตรที่เก้าสังาริเศั น, นี้ก็พระเมธิยะพระภูมิชิกะเหมือนกันก็ไปโจดไม่มีมูลกับพิจุแต่พระทพระพิษุแล้วเนี่ยนะ ก็ไม่สะสมใจพอตอนหลังก็ไปอ้างเล่โจดอีกไปเห็นแพะสองตัวกําลังเสรีถุนกันก็เลยอ้างเล่สมมุติว่าแพะตัวผู้เป็นพระทับพะมารดาบดสมมุติแพะตัวเมียชื่อนางภิกษุณีเมติย า, แ ล, า, ลยายแล้วก็ไปอ้างเล่สิ่งนี้ยไปโจดนีิรชัยก็แล้วก็เป็นคนอ้างเล่โจดเป็นต้นบรรดาสิกาบทข้อที่เก้านี้นะนัะ้นก็สมมติฐานวิธีอะไรก็เหมือนกับสิกาบทข้อที่แปด เป็นอตินนาทานสมุทฐานเหมือนกันต่อไปในสังฆเพทะศิขาบทที่สิบทำให้สงแตกกันตกีจกตรกายทำลายสงความว่าทิพสุใดยพยายามคือว่าสแสวงหาพวกพ้องเพื่อจะทำลายสงซึ่งพร้อมเพียงกันอยู่ในสีมาอันเดียวกันหรือยกเอาเหตุที่จะทำลายสงคือเพทะกระวะัตุสุแปดขึ้นแสดงเหุที่ทาให้สงแตกกันอ ย, อย่างเช่น พระพุทธเจ้าตรัสสิ่งนี้ไว้ไม่ได้ตรัสิ่งนี้ไว้ถึ่งนี้เป็นธรรมเป็นวินยัยถึงนี้ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินยัยนี่เป็นอาบัติเบานี่เป็นอาบัติหนักนี่เป็นอาบัตินี้ส่วนเหลือไม่มีส่วนเหลืออะไรพวกนี้อันนี้เป็นเพทกกราวัตถุ u, เป็นเหตุที่ทําให้แตกร้าวกันติ๊กตุอื่นได้เห็นได้ยินก็พึงห้ามปราณวาา่าท่านอย่าทำอย่างนี้จงพร้อมเพียงด้วยสงเถิดด้วยว่าสงพร้อมเพียงไม่กันแยกมีอุเทศอันเดียวกันแล้วก็วกย่อมอยู่สบาย ถ้าเธอไม่ฟังคําห้ามต้องทุกกดถ้าภิกษุได้เห็นได้ยินแล้วไม่ห้ามภิกษุที่เห็นได้ยินนั้นไม่ห้ามนั้นก็ต้องอบัตรทุกกดด้วยภิกษุอื่นห้ามเธอเธอไม่ฟังคําห้ามแล้วให้ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นฉุดฆ่าตัวเธอไปณนทะ่ามกลางสงศ์แล้วพึงห้ามอีกสามครั้งถ้าเธอสละไซก็เป็นการดีถ้าเธอไม่สละไซต้องทุกกฎแล้วสงศ์พึง สวดสมุภาต์คือประกาศห้ามเธอนั้นด้วยยติเจตุกรรมวาจาครั้งสองสวดสมุปาชนะจบยติลงแล้วเธอนั้นต้องทุกโกรเมื่อจบอนุสาวระที่หนึ่งที่สองลงเธอนั้นต้องผุละใจครั้งจบอนุสาวนาที่สามลงก็ต้องอบัติสังฆทิเศต์มันก็ต้องสวดประกาศสามครัง้งอันนี้เป็นยาวัตติยากาสกิขาบทยาวะตะยาาัตกิยกาคือทั้งสวดประกาศจบสามครัง้งถึงต้องอบัติวมนั้นยติก็เป็นสี่ สิกขาบทนี้ก็มีสมุดฐานเดียวก็คือสัมนุปาสนะสมุดฐานเป็นสมุดฐานเดียวนะแต่ว่ามีองค์สามด้วยกันก็คือย่อมตั้งขึ้นจากทางกายวาจาแล้วก็จิต ด, ด้วยอ่าเป็นองค์เดียวมีองค์สามคือกายวาจาจิตแต่เป็นสมุดฐานเดียวแล้วก็เป็นอกิริยาก็คือไม่ยอมสละเพราะเมื่อพิกจุไม่ทํากายวิการหรือว่าเปลงวาจาว่าสละคืนเนี่ยจึงต้องอบัต เป็นสัญญาวิโมกเป็นสัจจิกะเป็นโลกวัชชะนะนกายกรรมวิชิ ก, กรมแล้วก็ต้องด้วยอากุธระจิตยอย่างเดียวเป็นทุกขเวทนาต้องเป็นโทมนัสนี่ก็สิกขาบทที่สิบจบต่อไปเพทานุวัตติกะหรือว่าเพทานุวัตตะกสิกขาบทที่สิบเอ็ดประพฤตตามที่ตุผู้ทำลายสงความว่า ภิกุทั้งหลายตั้งแต่สามรูปลงมาก็คือหนึ่งรูปก็ตามสองรูปก็ตามสามรูปก็ตามสี่รูปไม่ได้จะไปทำกรรมกับภิกษุสี่รูปไม่ได้เป็นพวกพ้องประพฤติตามภิกษุผู้จะทำลายตธงนั้นช่วยว่ากล่าวทัศทานภิกษุอื่นว่าท่านทั้งหลายอย่าได้ว่ากล่าวสิ่งใดๆแก่ภิกษุนั้นเลยภิกษุนั้นเธอเป็นผู้กล่าวทำกราววินยัยเธอย่อมถือเอาฉันทะรุจิก็คือความพอใจความชอบใจของเราทั้งหลายขึ้นกล่าว ย่อมร่วมรู้กับเราได้ปรึกษาด้วยเรากรคำนั้นย่อมชอบย่อมควรแกเราทั้งหลายดังนี้ให้พิจิตทั้งหลายอื่นผู้ได้เห็นได้ยินพึงห้ามปรามเธอจนถึงสามครั้งถ้าห้ามเธอทั้งหลายแล้วไม่ฟังให้พิจิตทั้งหลายนั้นพึงสวดสมุุภาานะเธอทั้งหลายด้วยยติเจตุกรรมวาจาเพื่อจะให้สละคืนกรรมนั้นเสียถ้าเธอทั้งหลายสละกรรมนั้นเสียก็เป็นการดีถ้าเธอไม่สละเสีย นิ่งจนจบอนุสาวระที่สามลงเธอทั้งหลายนั้นต้องสังกาดิเศษความน้องนั้นก็เหมือนสิกขาบทก่อนส ม, มุดฐานอะไรก็เหมือนกันหมดถ้าพิกสุผู้รู้เห็นไม่ห้ามปรางก็ต้องอบัตรทุกกฎต่อไปในทุกพภจรสิกขาบทที่สิบสองพิสุว่ายากสอนญาความว่าพิสุเป็นคนดือ้อว่าญาสอนญาครั้นพิสุทั้งหลายว่ากล่าวสั่งสอนด้วยสิกขาบทบัญญัติ ทำตนไม่ให้ผู้อื่นว่ากล่าวได้คือกล่าวว่าท่านทั้งหลายยจะได้ว่าสิ่งไรๆเป็นความดีก็ตามเป็นคาชั่วก็ตามแก่เราเลยแม้เราก็จักไม่ว่าสิ่งไรๆเป็นคําดีหรือว่าเป็นคําชั่วกับท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงงดจากการว่ากล่าวเราเสียเถิดดังนี้ให้ที่สุดทั้งหลายถึงห้ามปรามเธอเสียอย่าให้เป็นคนดื้อครนั้นที่สุดทั้งหลายว่าเธอเธอยังดื้ออยู่เช่นนั้น ให้พิสุจทั้งหลายถึงจุดฆ่าเธอไปณนทะ่ามกลางสงศ์ตัวสามนุภาสนะสามครั้งเพื่อจะให้สละกรรมนั้นเสียถ้าเธอสละเสียก็เป็นการดีถ้าไม่สละเสียจบอนุสาวณนที่3ามลงก็ต้องอบัยสมการทิเสษสมุทฐานอะไรก็เหมือนกันหมดต่อไปในกูละทูสกับสิครา บ, บทที่สิบสามความว่าพิสูจอาศัยบ้านและนิคมใดยอยู่ เป็นผู้ประทุษร้าชกุลคือให้ดอกไม้ผลไม้เป็นต้นแก่ตระกูลให้เขาเสื่อมผลแห่งทานที่ให้แก่ตนดังนี้ชื่อว่ากูลัตูสกะทานที่เขาจะทําบุญกับเรานะผู้ที่มีศีลมีธรรมะได้ไอสงมากมายแต่ว่าพอไปประทุษร้าชกุลมีจิตใจไม่ดีไม่งามมีคุณธรรมไม่สูงนะมีคุณธรรมต่ํามันก็ทําให้ผลแห่งทานของเขาเนี่ยลดลงลดลงอย่างเนี้ยเรียกว่ากูลัตูสกะ ผู้ประทุษรลายตระกูลและเธอเป็นคนมีสมาจารอันชั่วคือปลูกกอไม้เพื่สอสงเคราะห์ตระกูลเป็นต้นสมาจาร์อันชั่วและตระกูลที่เธอประทุษร้ายนั้นย่อมปรากฏแก่ตาแก่หูผู้อื่นให้ที่สุดทั้งหลายผู้ได้เห็นได้ยินพึงทําปัปพาชนิกันก็คือขับไล่เธอเสียจากบ้านและนิคมนั้นด้วยยัติจตุตกรรมาวาจา ดันเธอต้องปรปภาชนียกรรมแล้วคือถูกขับไล่แล้วกลับกล่าวติเตียนสงผู้ทำปรปภาชนียกรรมนั้นว่าทำด้วยฉันทาคติก็คือลำเอียงเพราะว่าความพอใจโทสาคติลำเอียงเพราะโกรธโมหาคติลำเอียงเพราะหลงพยาคติลำเอียงเพราะกลัวดังนี้ให้พิสูจทั้งหลายอื่นผู้ได้เห็นผู้ได้ยินพึงห้ามปราบเธออย่าให้ติเตียนการรบสง์ดังนั้นถ้าห้ามปราบเธอไม่ฟัง ให้พิสูุทั้งหลาย น, านั้นพึงฉุดฆ่าตัวเธอไปณท่ า, ามกลางสง์ส่วนสันุภาสนะสามครั้งเพื่อจะให้สละคาติดเตียนนั้นเสียถ้าเธอไม่สละเสียจบอนุสาวนะที่สามลงต้องสังขาริเศษสมุทฐานวิธีเป็นต้นก็เหมือนกับปฐมสังขาริเสษนะก็คือปฐมสังฆเภทะติขาบทที่สูดเ ก, กลือไปตายเพื่อทาลายทสงนั่นเองเป็นยาวะตะติยะการติขาบทเหมือนกัน ตั้งแต่สันเจติกะสิกขาบทสิกขาบทสังขาทิเศตข้อที่หนึ่งนะถึงอัญยะ า, ายะสิกขาบทคือสังขารทิเศตข้อที่เก้านี้เป็นปัตถมาปฏิกะเพราะจะพึงต้องในขณะที่ร่วงเป็นทีแรกก็คือต่ออบัติแต่ครั้งแรกเลยที่ไปกระทําร่วงละเมิดว่าเป็นอบัติทันทีนอกนั้นสี่สิกขาบทก็คือตั้งแต่ปฐมสังฆเทะจนตั้งถึงกุรุตุสกะเนี่ย สิกขาบทหลังนี้ชื่อว่ายาวตติยกาเพราะจะพึงต้องในขณะเมื่อจบอนุสาวรนที่สามทั้งสิบสาิกขาบทนี้ข้อใดข้อหนึ่งพิกษุต้องแล้วรู้อยู่และปิดไว้สิ้นวันเท่าใดต้องอยู่ปริวาสสิ้นวันเท่านั้นคระนั้นอยู่ปริวาสเสร็จแล้วต้องประพฤตมานัดอีกหราตรีคระนั้นประพฤตมนัดแล้วพึงขออภารในสงมีภิกษุยี่สิบ รูปเป็นคณะสงฆ์ให้อภารแล้วจึงพ้นอาบัตินั้นได้เพราะเหตุนั้นทพิจุต้องแล้วอย่าพึงปิดไว้ด้วยความละอายพึงบอกเสียแก่พิจุที่เป็นสภาคะกันในวันนั้นคือพิกษุที่ถูกกันเนี่ยพิจุที่มีศีลมีธรรมเส ม, มอกันก็ควรจะบอกในวันนั้นอย่าให้ทันอรุณขึ้นมาได้เมื่อบอกเสียได้ในวันนั้นจะต้องประพฤติมานัดแต่หราตรีแล้วขออภายกรรมแกสง อันนี้ไม่ต้องอยู่ปริวาสนะถ้าไม่ปกปิดก็ประพฤติมณั์หกราตรีแล้วก็ขออภายกรรมแก่สง์ผลโทษได้ง่ายต้องแล้วก็ให้บอกแม้ด้วยภาษาไทยดังนี้ว่าข้าพเจ้าต้องอบัตสำคัญที่เสชื่อนี้ข้าพเจ้าบอกอ บ, บัตนั้นแก่ท่านนะอันนี้ก็ไม่ต้องอยู่ปริวาสก็อยู่มานัดเลยแล้วก็อภิธานได้เลยส่วนลักษณะที่จะปิดอ บ, บัตนั้นดังนี้ก็คือข้อที่หนึ่ง ที่ตุต้องแล้วต้องอบัตนะข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองรู้อยู่ด้วยว่าเป็นอาบัตข้อที่สามตนเองเป็นประกติตะสงไม่ได้ยกวัดไม่ได้ถูกยกวัดข้อที่สี่รู้อยู่ว่าตัวเองก็เป็นปกติตะไม่ได้ถูกสงยกวัดก็รู้ด้วยข้อที่ห้าไม่มีอันตรายสิบอย่างอันตรายจากสัตร้ายจากโจรจากภัยจากอะไรต่างๆพระราชาไม่มีอันตรายอันดหนึ่งข้อที่หกก็รู้ว่าไม่มีอันตรายด้วย ข้อที่เจ็ดพอจะไปบอกพิกตุที่เป็นสภาค่ากันหน้าอยู่ข้อที่แปดก็รู้อยู่ด้วยว่าสามารถที่จะไปบอกได้ข้อที่เก้าปราถนาจะปิดไว้ตั้งใจปิดแล้วก็ข้อที่สิบก็ทําการปิดเอาไว้ด้วยดังนี้จึงเป็นอันปิดนะถ้าเห็นอุปชาหรือว่าอาจารย์ก็แล้วแต่แไม่ว่าจะเป็นอุปชาหรือว่าอาจารย์แล้วก็ละอายไม่บอกหรือว่าเป็นสะทมิก อย่างคนใดคนหนึ่งก็ตามไม่บอกให้อารุณใหม่ขึ้นมาก็เป็นอันปิดไว้แท้ไอความละอายต่ออุปชาอาจารย์นั้นไม่เป็นประมาณที่สุที่เป็นสภาวะกันโดยข้อปฏิบัติรู้แล้วและจะไม่เยาะเย้ยติเตียนล้อเลียนนี้แหลเป็นประมาณควรบอกนะก็คือถ้าเขาเย่อมเย้ยติเตียนรู้ว่าคนนี้เป็นคนที่ไม่ถูกส่วนกันเป็นวิสภาคา ก, กันก็ไม่บอกแต่ พิสูจนั้นก็ไม่เป็นการปิดนะแต่ว่าตั้งใจในการที่จะบอกกับพิสูจที่เป็นภาค้ากันอันนี้ก็ไม่เป็นอันติดถ้าปิดเอาไว้แล้วก็ต้องไปอยู่ปริวาติตามวันที่ปิดเอาไว้ปิดไว้วันหนึ่งก็อยู่ปริวาติวันหนึ่งแล้วก็อขอมาณัฐแล้วจึงอภานถ้าปิดไว้10ปีก็ต้องไปอยู่ชดใช้ถึง10ปีนะถึงค่อยมาอยู่มาณัฐ6วันแล้วก็ขออภารได้อันนี้ก็เป็นสังฆาฏิเศษสวรรณนานิติตาจบสำนักพิเศษนะ ต่อไปก็จะเป็นอนิยตตาสิกขาบทจากปัณ น, นาอนิยตตาสิกขาบทอนิยตตาสิกขาบทนั้นมีสองก็แรกนี่ท่านก็ตั้งชื่อให้นะว่าอลังกา ม, มะนิยะสิกขาบทที่หนึ่งมาถึงการนั่งที่ที่รับพอจะทำการได้ความว่าเพิกสูใดแต่ผู้เดียวนั่งอยู่หรือนอนในอาสนะที่ปิดบังเป็นที่รับตากับด้วยหญิงแม้เกิดในวันนั้นแม้ถึงหลายคน ที่นั่งหรือนอนอยู่อุบาสิกาที่มีถ้อยคำควรเชื่อคือเป็นอริยสาวิกาได้เห็นภิกษุนั้นและโจดด้วยปา ร, ราชิตเพราะเศษเมถุนหรือด้วยสำคัญพิเศษเพราะตายักษ์สังฆะจับต้องชายหญิงหรือด้วยปาริกติตีเพราะนั่งในที่ลับกับด้วยหญิงข้อใดข้อหนึ่งภิกษุนั้นเธอปฏิญญาข้อใดให้พระวินัยทรปรับอาบัติตามปฏิญญาในข้อนั้น คือปติญญาว่าเตมถุนก็ให้ปรับปลาราชิกปติญญาว่าจับต้องกายหญิงก็ให้ปรับด้วยสัมขาทิเศษปติญญาว่านั่งหรือนอนอยู่ในที่รับกรับด้วยหญิงที่นั่งและนอนอยู่ก็ให้ปรับอบัตภาจิตตีถ้าปติญญาว่าตนยืนหรือหญิงยืนอยู่ไม่ได้ทําอะไรกันอย่าให้พระวินยัยถรนปรับอาบัตสิ่งใดเธอเลยด้วยความเห็นนั้นบางทีก็เป็นอย่างที่เห็นบางทีก็เป็นอย่างอื่นการเห็นนี้ไม่เป็นประมาณ ต้องเอาคำปฏิญญาด้วยไม่แน่นอนที่สุดประสงค์จะไปหามาุรความด้วยความกำนังในที่รับเป็นกิเลสอาศัยเมถุนตั้งแต่ประโยคที่แต่งตัวมีป้ายยาตาเป็นต้นไปตั อ, อบัตทุกๆประโยคเลยอบัตทุกกฎอบัตทุกกฎทุกๆประโยคเลยขั้นไปถึงที่แล้วก็นั่งหรือนอนลงแล้วเนี่ยหญิงจึงนั่งหรือว่านอนลงหรือหญิงนั่งหรือนอนอยู่แล้วที่สุจึงนั่งหรือว่านอนลง หรือนั่งและนอนพร้อมกันทั้งสองก็ดีจึงเป็นปาจิตตีถ้าทิ่ตุนั้นจับต้องหญิงหรือว่าเตเมถุนให้พระวินัยทรบึงปรับอาบัติเธอตามวัตถุนั้นๆแม้ถึงผู้ชายนั่งอยู่ที่ริมประตูห้องที่บานปิดอยู่ติตุนั่งในห้องกับหญิงชายนั้นก็คุ้มอาบัติไม่ได้ถ้านั่งอยู่นอกห้องปิดประตูนี่คุ้มอาบัติไม่ได้ผู้ชายตาดีนั่งอยู่ในโอกาสสิบสองสอบ พอแลเห็นกันได้เป็นคนมีจิตฟุ้งซ่านแม้นั่งหลับอยู่ก็คุ้มอบดับได้ถ้าอยู่ในที่สิบสองศอกพอจะเห็นดึงได้แม้ฟุ้งซ่านไปบ้างหรือว่าหลับอยู่ก็คุ้มอบดับได้เหมือนกันถ้าเป็นผู้ชายผู้หญิงไม่ได้คนตาบอดแม้อยู่ใกล้ก็คุ้มอบัตไม่ได้ถึงคนตาดีแม้นอนหลับอยู่ก็คุ้มอบดับไม่ได้ถ้าคนตาดีแต่ว่านอนหลับถ้านอนไม่ได้แต่ถ้านั่งหลับอยู่นี่พอจะคุ้มอบดับได้บ้าง เพราะว่าหลับหลับเป็นตื่นได้ก็แต่หญิงแม้สักร้อยหนึ่งก็คุ้มอาบัติไม่ได้มีชายผู้รู้ความตาไม่บอดนอนอยู่แต่ไม่หลับก็ดีหรือชายเช่นนั้นอยู่ในอุปจาระ ก, ก็ดีหรือภิกตุหรือหญิงยืนอยู่ไม่นั่งก็ดีภิกตุไม่เพ่งในที่รับก็ดีทรงใจไปในที่อื่นก็ดีลาวนี้ไม่เป็นอาบัติตาจิตตีนะใด้เป็นอาบัติตาจิตติเพราะนั่งในที่รับกับหญิง พิฆตุเป็นบ้าเป็นต้นก็คือมีจิตบุญสร้างบ้างมีทุกขเวทนาครอบงำบ้างแล้วก็เป็นต้นบัญญหยัเนี่ยไม่เป็นอบัตทั้งสามอย่างไม่เป็นอบัตสิกขบทนี้เป็นอนาณาติกะใช้ให้ไปนั่งก็ไม่เป็นใช้คนอื่นเ้าคนใช้ไม่เป็นคนนั่งแหละเป็นองค์ในสิกขบทนี้พึ่งให้รู้ตามอบัตที่พิกตุปติญญาสมุทานวิธีเป็นต้นก็เหมือนกับปฐมปาราชิกก็คือ กายจิตก็มีใายกับจิตเป็นสัจจิตกะเป็นอกุสสนก็มีเวทนาสองเป็นโลภะภาชนาจะนั่งปัทมังจบสิกขาบทข้อแรกอนุญาตต่อไปสิกขาบทข้อที่สองชื่อว่านาลังกามมะนิยะสิกขาบทที่สองข้อแรกเรียกว่าอะลังกา ม, มะนิยะพอจะทําการได้อันดีสองนี่นาลังกา ม, มนิยะไม่สามารถที่จะทําการได้ไม่พอจะทําการได้ ก็คือไม่สามารถจะเสดเมทุนได้แต่ว่าสามารถที่จะจับต้องกายหญิงเป็นสงายเศษกับนั่ง น, นิทิรัปเป็นปฏิสติได้ความว่าอาสนะที่นั่งไม่ปิดบังด้วยสิ่งอันใดเป็นที่แจ้งดังกลางวัดกลางบ้านไม่ควรจะเสดเมถุนควรแต่จะพูดทุตุนละวาจาคือวาจาชั่วยาบวาจาชั่วยาบได้อยู่กลับมาดูความได้เท่านั้นกับบทข้อนี้ต้องส ง, งสายเศษก็ พุ ท, ทุนละวาจาได้จับนั่งในที่รับได้ไม่ใช่เสร็จในถุนแล้วก็ไม่ใช่จับต้องกายิตเพราะว่ามองเห็นด้วยตาแต่ว่าไม่ได้ยินด้วยเสียงพิกตุใดแต่ผู้เดียวไม่มีชายอื่นผู้รู้ความอยู่ด้วยและนั่งนอนกับด้วยหญิงที่รู้คำหยาบและไม่ยากแต่ผู้เดียวไม่มีหญิงอื่นที่รู้ความอยู่ด้วยในอาสนะเช่นนั้นเป็นที่รับหูอย่างเดียวอุบาสิกาเป็นอริยสาวิกา มีถ้อยคําควรจะพึงเชื่อได้ได้เห็นพิสูจน์นั้นและโจดด้วยสังกัดิเศเพราะกล่าวทุตถุลาวาจาหรือด้วยปาจิตตีพระนั่งในที่รับข้อใดข้อหนึ่งพิกสูผู้นั่งนั้นเธอรับปฏิญญาด้วยข้อใดให้พระวินัยทรพึงปรับอบัตเธอด้วยข้อนั้นหรืออุบปสิกาผู้มีถ้อยคําควรเชื่อนั้นโจดด้วยข้อใดให้วินัยทรพึงปรับอบัตเธอนั้นด้วยข้อนั้น ถ้าเธอปฏิ ญ, ญาตนว่ายืนไม่ได้นั่งไม่ได้นอนอย่าให้พระวินัยทรพึงปรับอาบัติเธอกรพม่ได้ใช้นอกนั้นเหมือนกับสิกขาบทก่อนแปลกแต่ในสิกขาบทนี้แม้หญิงแม้ชายผู้ใดผู้หนึ่งเป็นคนรู้ความตาไม่บอดหูไม่นวกยืนหรือนั่งในโอกาสภายในสิบสองศอกแม้มีจิตฟุ้งซ่านนอนหลับอยู่ก็คุ้มอาบัติได้ ก็โทษนั่งในที่รับได้แต่คนหูหนวกแม้ตาดีหรือคนตาบอดแม้ไม่หนวกเหล่านี้คุ้มอบัดไม่ได้ถ้าคนหูหนวกตาดีก็คุมไม่ได้คนตาบอดแต่ว่าหูไม่หนวกก็คุมอบัดไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นหญิงชายรู้ความตาไม่บอดหูไม่หนวกยืนหรือว่านั่งในที่ติดสองซอกในที่ใกล้มีเจ็ดฟุ้งซ่านบ้างหรือว่าหลับอยู่บ้างก็คุมอบัดได้ สมุทฐนวิธีก็เหมือนกับอธินาทานสิกขาบทสิกขาบทข้อที่สองอานิยตตาข้อที่สองนี้เป็นอธินาทานสมุทฐานก็คือมีสมุทฐานสามกายจิตวาจาจิตกายวาจาจิตแต่ถ้าเป็นสิกขาบทอานิยตตาข้อที่หนึ่งสมุทฐานเหมือนกับปฐมประชิกก็คือกายจิตเท่านั้นแตกต่างกันอันนี้ก็อนิยตตาสิกขาบทที่สองก็จบในสองสิกขาบทนี้ที่ชื่อว่าอานิยตตแปลว่าไม่เที่ยมหรือว่าไม่แน่นอน ด้วยว่าเป็นปราชิกบ้างสนวนารพิเศษบ้างปาจิตติบ้างโดยบัญญัตนนินั้นๆตามปติญญาแห่งพิกษุอันหนึ่งสองสิกขาบทนี้ดูเหมือนพระองค์ทรงบัญญัติไว้ให้เป็นตัวอย่างแก่วิในทธรผู้จะตัดสินความผู้โจทและจำเลยในสิกขาบททั้งปวงให้ตัดสินตามอย่างอนิยตตะสิกขาบททั้งสองนี้อนยตะรันานิทิตาอนิยตะนนานาน ต, ยตะกระจก ในครั้งพุทธการก็อนยิยตตาสิกาบทสองสิกขาบทนี้ก็คงยังไม่ได้นํามาสวดทุกกลึงเดือนเพราะว่าท่านแสดงไว้ว่ามีแค่ร้อยห้าสิบเท่านั้นร้อยห้าสิบสิกขาบทที่นํามาสวจทุกกลึงเดือนก็ยกเว้นอนยิยตตาสองกับเสกียะเจ็ดสิบห้านะเป็นเจ็ดเจ็ดเลยนะก็ไม่มีก็คงพิ่งจะมาเพิ่มตอนสังคยนาแล้วอะ่ะเพิ่มเข้ามาเพื่อเอาเป็นหลักวินิจฉัยแต่กียะเจ็ดห้าก็ควรจะดูตรก่อน ตอนวันนี้ก็ยุติเพียงแค่นี้พรุ่งนี้จะต่อถึงอบัตที่เป็นฑรและชยาบัตซึ่งมานอกพระปติโมกขแล้วก็เป็นอยู่ในส่วนของศิคาบทวิพังก็มีมาหลายที่จะไว้กล่าวตอนในวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันวันนี้ก็ข อ, อนุโมทนาสาธุการขอให้ท่านมีศรัทธาปิติประโมทในการศึกษาตราศีศกษ า, า, าษลษาิพะอธิศิลปศิขาเพื่อเป็นบาตรแห่งอธิจิตติศิขาและก็อธิปญาศิาขาให้ตัดศัตรู้อริยเศจษฐธรรมคำสอนกุศลมาสมบิชฌาโดย สาธิเวส ท, ทุกทนด้วยเทิสาธุสาธุสาธุ